ม า, อาพอจะเข้าใจได้นะรทั้งนี้เพื่อให้เราได้ช่วงสองสัปดาห์นเนี่ยฝึกปรับอินซีก่อนคือรู้จักวิธีการาปราบินซีแบบวิธีการเคลื่อนไหวทําทำอย่างไรนะในช่วงสองสามวันแรก <c oughs> ช่วงเช้าอาจจะสื่อความหมายกันผิดนิดหน่อยตรงที่ว่ า, าผู้ที่เคยเข้าคอร์สในวิธีการเคลื่อนไหวโดยตรงของพระเทียนหมายถึงว่าผู้มีประสบการณ์แบบนี้เนะี่ยแต่เคยเข้าคอร์สวิธีอื่นพุโทโธน้อยสมาราหังอะไรนี่ถือว่าเป็นยังยังเป็นผู้ใหม่สําหรับวิธีการนี้อยู่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มใหม่อยู่อดังนั้นผู้ที่ได้ผ่านคอร์ส ต, ต่างๆมาจากวิธีการอื่นก็ถือว่าใหม่สําหรับวิธีนี้ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านข้อนี้ก็ก็กลับมาเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ก่อนทั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาวิธีการปรับอีซีแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวตลอดไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีการนั่งหลับตาเพราะเราถือว่าวิธีการเคลื่อนไหวแบบวิธีการหลวงพ่อเทียนนี้จะเอาการตื่นรู้เป็นเป็นหลักการตื่นรู้นี้เป็นสติที่เป็นแม่บทของทั้ง ศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเราเอาตัวสติสัญญาเป็นแม่บทตัวศีลสมาธิปัญญาจะเป็นตัวที่เป็นผลคือถ้าเราตื่นรู้เป็นเนี่ยมันจะไปรักษาศีลเป็นไปทำสมาธิเป็นเพราะตัวตื่นรู้เป็นตัวสมาสติแล้วก็ไปเจริญปัญญาเป็นแต่ถ้าว่าตัวสมาสติไม่สมบูรณ์เนี่ยสมาสมาธิสมาปัญญาแล้วก็ศีลก็จะยัง ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าตัวรากแก้วของมันคือตัวสติสัมภิยะยังไม่สมบูรณ์นะฉะนั้นเราต้องฝึกวิธีการตื่นรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องนะทีนี้ลักษณะของต่อเนื่องเนะี่ยถ้าต่อเนื่องไม่ถูกมันจะเกลง็งแล้วก็เครียดนะก็จะทาไม่ตลอดนั้นวิธีที่มาปรับใหม่นี้ก็คือให้ผ่อนคลายโดยตลอดให้มี ความสุขณปัจจุบันไปไม่ต้องหวังไปความสุขข้างหน้าก็ทําทวันนี้เต็มที่แล้วมันได้อารมณ์วันหนึ่งแล้วมันได้ความสุขแปบ๊บเดียวก็หายไปเลยแล้วก็มาเร่งความเพียรแทบลดแทบใจเพื่อได้ความสุขนี่เดียวเนี่ยมันไม่คุ้มกันเขาเรียกสุดตรงนะ แ, แต่วิธีการที่มาปรับใช้ในวิธีการนี้ก็คือการให้มีความผ่อนคลายไปตั้งแต่ต้นแล้วก็สัมผัสความสุขณปัจจุบันการผ่อนคลายณปัจจุบัน แล้วก็ความสุขสงบที่มันมีเองเป็นเองเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงหรือไปบีบคั้นมันขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคอยแก้ไขเงื่อนไขที่จะทําให้ความปลอดปลงความสงบแบบนี้ที่มันมันถูกบดบังด้วยทุกขเวทนาระดับต่างๆเนี่ยเราก็แก้ไขบําบัดทุกขเวทนานั้นออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสพสุขที่เกิดจากการผ่อนคลาย แต่ต้องการให้จิตของเราได้สัมผัสความสงบสุขทางกายที่เป็นไปแบบอย่างแต่ความหมายที่แท้จริงเราต้องการที่จะไปฝึกการผ่อนคลายการปล่อยวางทางด้านจิตซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตมากถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางกายทางรูปไปก่อนเนี่ยเราจะทําต่อน้าไม่ถูกนะนั่นเองเบื้องต้นเนี่ยการภาวนา การทำความเพียรหมายถึงการเข้าไปแก้ไขบำบัดเวทนาต่างๆที่จะเป็นเมฆหมอกของตัวปลอดโปร่งตัวตื่นรู้ที่เป็นเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วเฉะนั้นความเพียรต้องมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาบีบสมาธิเป็นก้อนๆขึ้นมาก่อนแล้วก็สวยสมาธินั้นไม่ใช่แต่เป็นการตื่นรู้เพื่อเฝ้าดูเวทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมา คอบงาที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นด้วยอานาจข อ, ของกฎของนิจังทุกขังนัตตาแล้วถ้าเราไม่มีสติสม ญ, ญาตื่นรู้เข้าไปแก้ไขเนี่ยตัวทุกขเวทนาที่เป็นผลพวงมาจากการทํางานของนิจังทุกขังนัตตามันก็จะเกิดเป็นผลเป็นวิบากขังอยู่ในต่างกายของเรา แต่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเราจึงคิดทําไมถึงปรุงแต่งทําไมจึงเครียดทำไมจึงเบื่อทําไมจึงไม่ชอบทําไมจึงไม่สนุกทําไมจึงอะไรเนี่ยมันมันจะเกิดมากมายสาเหตุเนื่องจากว่าเราไม่แยบคลายพอต่อทุกขเวทนาที่เกิดโดยหลักของอนิจจังทุกขนตฏะเมื่อไม่แยบคายไม่เห็นชัดตรงนั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขบําบัดมันอย่างถูกต้นเหตุเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่สนุกเลยนะ เพราะว่าจิตของเราสูด ข, ขั้ววิ่งสูด ข, ขั้วตลอดเราเสพสุประเภทสนุกสนานไม่จะได้ไม่ใช่สุขแบบสงบอแบบธรรมชาติแล้วก็ไปสูด ข, ขั้วทางเกลิ่ว่าหวังว่าการเกลงิงเคร่งเครียดทําจริงจังตั้ ง, งใจแบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้มันจะบรรลุผลอนะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่ใช่เหตุเป็นยังไงผลก็เหตุเป็นทุกข์ผลก็ต้องเป็นทุกข์เหตุเป็นสุขผลก็ต้องเป็นสุขนะ เราทําเหตุให้มันทุกข์แล้วเพะจะสุขตามมาทีหลังบางทีมันไม่ใช่นะดังนั้นในแง่ของวิปัสสนาต้องสามารถเห็นสภาวะที่เป็นความผ่อนคลายไปนในตัวเป็นวิปัสสนาอนั้นเองก็การทําความเพียรไม่ใช่อะไรอื่นเพื่อที่จะเข้าไปมีสติตื่นรู้ให้ชัดเพื่อที่เอาสติตื่นรู้ตัวนี้ไปสํารวจตรวจสอบว่าตัวความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันก่อให้เกิด ความอิดอัดขัดเครื่องในร่างกายคู่ควรทาต่างๆที่มันเกิดจาก อ, อันนี้จา์ทุกขังหน้าตาเนี่ยมันหลบมันซ่อนมันกอตัวอยู่ตรงไหนก็เข้าไปลีเีสไปแก้ไขไปบำบัดไปออกหน้าจุดนน้นเรื่อยๆไปร่างกายก็จะเบาสบายตลอดเพ้าการทำความเพียรทั้งวันก็ไม่บอบไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่นั่นเพระาะเราทำได้ตลอดมันก็จะได้อารมณ์ตั้งแต่แรก เพราะฉะนันในช่วงการปรับอินซีช่วงสามวันเนี่ยเราเราจะพยายามปรับตัวนี้ให้ชัดไว้ก่อนแล้วในช่วงสองวันหลังเราค่อยไปทำต่อเนื่องแบบที่มีประสบการณ์บ้างแล้วนะนนั้นอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของเราคือต้องการปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกว่การปล่อยวา ง, วางการหลุดการพ้นกานไม่ไม่มีเวทนาครอบงำจิตอีกต่อไปเราก็ต้องมารูจักแก้ไข บ, บําบัดเวทนาทางกาย ถ้าบำบัดเวทนาทางกายไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลีกค้นผลคือเวทนาที่ไปครอบงำชีตได้นะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องฝึกปรับอินทรีย์ในเบื้องต้นให้ถูกต้องนะเบืองเบื้องตอ น, ตอ น, ต, อนตอนหลังๆมาเนี่ยมามาปรับโดวยวิธีดีแล้วเนี่ยมันได้ผลนะทุกคอร์สไ ด, ได้ได้อารมณ์ดีนะเมื่อก่อนนี่เล่งทำความเพียรกันกึ่งกลางกึงกลา ง, งทั้งวีทั้งวันแต่ได้ผลนิดเดียว ซึ่งมันไม่คุ้มกัน แ, แล้วเป็นผลที่ไม่ดีด้วยทําให้เราคิดว่าอันนี้แหละเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็นําผลนั่นนี้ไปใ ห, ให้กับคนอื่นไปบีบขั้นคน่นให้ทําอย่างที่เราเคยทําอันนั้นไม่ใช่เราจะต้องปรับให้มันถูกเหตุถูกผลกันนะให้รู้จักผ่อนคลายในเวทนาความทุกข์มันมีอยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ต้องทำให้มันเกิดมันก็เกิดแต่ว่าเรามีหน้าที่เข้าไปบำบัดแก้ไขปรับออกและขณะเดียวกันความสู่ความปรุงความบาสบก็มีอยู่แล้วแตลเวลาเพียงแต่ปรับเอาความไม่สบายออกไปความสบายก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะที่นี่เราจะขยันปรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแยบคายของเราเองตรงนี้เขาเรียกว่าโยนิสุมณสิกานนะนั่นงก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีความ เข้าใจที่ถูกแล้วก็พยายามที่ถูกเป็นส ม, มาวายามะร่างกายที่มันหัดมันยอกมันตึงมันเคร่งมันตรงไหนค่อยสังเกตแก้ไขบำบัดไปเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ถึงกับเสียเวลาไปบำบัดมันโดยเฉพาะควจริงถ้าบำบัดเป็นเพียงแก่โยกนิดขยับหน่อยแล้วก็สังเกตนิดหน่อยค่อยๆแก้ไขไปมันก็ใช้ได้แล้วมันมีธาตุที่บำบัดในตัวเขาเรียกว่าธาตุลมบำบัดในตัวของมันอยู่นะ นั่นเองในช่วงวันนี้เราฝึกการปรับอียีมาตลอดก็คงจะเข้าใจได้ระดับหนึ่งจากช่วงนี้ไปเราก็ไปทาธุระส่วนตัวไปอาบน้ำล้างหน้าทําพระสนตัวประมาณสักถึงหกโมงนะกลับเข้ามาแล้วก็มาคนไหนมาก่อนก็ามาเรื่จุคมสร้างจังหวะเราเพื่อน ก็ช่วงออกจากนี้ไปประมาณสักห้าโมงก็คงยาดับน้ำประณะคุจุมมาแรือปล่าว่านัดดับน้ำประณะกี่โมงหกโมงหรือห้าโมงตามกฎที่ก็ห้าโมงนะห้าโมงเย็นแล้วสําหรับที่พักของนักปฏิบัติชายอยู่ตรงอาคารนั้นหมดเลยใช่ไหมด้านล่างหมดเลยหรือทางอื่นบ้างผู้ชายแล้วพักข้างล่างหมดเลยหรือเปล่ากี่ท่านทั้งหมดแปดนะ ก็รู้สึกจะอแออัดไปไหมถ้าแออัดย้ายมาด้านบนชั้นบนนี้ก็ได้ไหมายความว่ามุมาทางนี้ก็ได้ถ้ามีถ้ามีเป็นเต็นท์นะจจะมียุงทางนี้ถ้าหากเราไม่ปิดหน้าต่างไม่เปิดแอถ้ารู้สึกว่าชั้นล่างทั้งหมดใช่ไหเถ้าว่าชั้นบนพระท่านพาักอยู่ถ้าหากว่ารู้สึกอาอาดย้ายมารีบังก็ได้การหลังยาวนี่นะก็กได้นะครับก็พยายามนอนห่างๆจะได้ ไม่รุกคแกงจะนอนสนิทนะเพราะบางคนก็เรียกว่าชอบขู่เพื่อนทั้งคืนเลยนะเพื่อนนอนไม่นอนไม่นนไมหลับถูกขูต่ตลอดเวลาเพราะฉะนี้นก็เราปรับเวลาหลับเวลานอนออต่างๆก็เพื่อให้มันปกติสบายนะจากช่วงนี้ไปเราจะไปเดินจุกงหมูรอบอาคารนี้ร่วมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เสร็จจากนั้นแล้วก็กลับไปนี่เลยตอนนี้เราไปตั้งแถวข้างนอกเดินจุกงหมูรวมกันอน นี่ก็ปรากองกันกัน